คำว่าสกิทาขามิมรรคหมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นทสกิทาขามิผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโสดาบันมาแล้วเพราะว่าพระโสดาบันมีกุศลคุณธรรม 4 ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธิ์ ส่วนในแถมที่เกิดก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่หมายถึงว่ามีความมั่นคงจริงๆคําว่านักธีพระพุทธธรรมอริยสงฆ์นี่ก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ละเมิดคําสั่งหมายเรื่องศีลสิ่งใดที่พระองค์ทรงสั่งห้ามตามพระธรรมหรือวินัยสิ่งนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันย่อมไม่ปฏิบัติ สิ่งใดที่อรสงฆ์ได้โปรดทรงสรรพัดทรงแนะนําให้ปฏิบัตินั่นเป็นทางของพระโสณนาบัญปฏิบัติคือความไม่อยากเฉพาะอาศัยที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆจึงสูงศีลบริสุทธิ์ธรรมวัสิงห์ของพระโสณนาบัญก็สมัยเอาถึงกรรมบท 10 ด้วยคําว่ากรรมบท 10 เป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรม น้ำมีไฟผ่านไปอารมณ์อยู่ในขอบเขตของศีลในวงจำกัดเอานี้สําหรับพระสีหภาคารูถ้าจะกล่าวกันไปก็เป็นแต่เพียงว่ามีจริยาทั้งหมดเหมือนว่าโสดาบันแต่ว่าระงับความโลภระงับความโกรธระงับความหลงให้เบาบางลงกว่าพระโสดาบัน Nere hukaj yon t'i nung vah soh dhaban, më me khamathani arayitë për ërhmë bëng. Vah soh dhaban më morananusatikhamathani për ërhmë. Nes përn këwam t'ai për pukhati. Më rôs t'u vah yait t'ai, këma yom t'ai lew, yait t'ai n'yang d'i. Nekon t'yait t'ai d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i d'i คนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยมีพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานและพรหมวิหาร 4 อุปสมันนุสติกรรมฐานยิ่งกว่านั้นก็มีหิริโอตตัปปะประจําใจอย่างนี้เป็นพระโสดาบัน นิพพัสโสนาปัญญคุณทรงคุณธรรมได้อย่างนี้สําหรับพระสิกขิทาคามีก็ทรงคุณธรรมเหมือนกันแต่ว่าสําหรับพระสิกขิทาคามีมรรคเบื้องต้นก็เพิ่มอภัยทานทานที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้คือร่วมโครงกําลังใจของพระมีหันต์ 4 ให้หนักขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อกระทบกระทั่งกับพระองค์ที่บุคคลทําให้เราไม่ถูกใจเราให้อภัยไม่ถือโทษโทษคนนั้นถ้าร่มทรงจะได้อย่างนี้จริงๆก็จัดว่าเป็นพระสิกขาคามิมรรคอย่างหยาบยังยังไม่ถึงสิกขาคามิมคนมีการที่จะปฏิบัติตัวให้ถึงพระสิกขาคามิมคน ก็ต้องเพิ่มกรรมฐานในวิปัสสนาญาณบางอย่างควบคุมเข้ามาเพราะว่าสําหรับวิปัสสนาญาณในด้านละโสดาบันนั้นในด้านสกายติถียังไม่มีการลังเกียดในร่างกายอารมณ์ยังไม่ละในร่างกายเด็ดขาดเพียงแต่เพียงมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะต้องตาย ความพอใจในร่างกายว่าเป็นของสวยสดงามของน่ารักน่าชมยังมีอยู่นิมานตสกิจชาคามีแล้วก็มาเพิ่มดูตามคําสอนท่านบอกว่าพระสกิจชาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความโลภเรื่องการที่จะบรรเทาความโลภ ต้องทำยังไงก็ต้องเพิ่มกรรมฐานเข้ามาอีกครองหนึ่งนั่นก็คือจาคาอนุสติภูมิฐานด้วยรู้ว่าจาคาอนุสติจาคาอนุสตินี่หมายถึงว่าคิดคิดอยู่เสมอในการพิจารณาความเหนียวแน่นความตนเหนียด ด้วยความโลภในทรัพย์สินมีความรู้สึกใกล้ของปัญญาว่าคนที่มีความตะหนี่เหนียวแน่นก็อยู่ในทรัพย์สินมากขึ้นไปจนทั้งไม่สามารถจะบริจาคการการสงเคราะห์ไม่มีการเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขตามที่เราจะควรช่วยได้ อย่างในสมัยปัจจุบันเค้าเรียกว่าไม่รู้จักลดช่องว่างแต่ความจริงไอ้การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีการสงครามเกลื้อกขูลซึ่งกันและกันนี่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ชาวโลกไม่มีความเข้าใจไม่ปฏิบัติตาม เนื่องการที่จะเป็นพระสิกขาคามีก็ต้องวิชาฌานสติสมถะฐานเป็นอารมณ์สําหรับจาคารสติสมถะฐานตัวนี้ความจริงก็มาจากกุมีหาร 4 นั่นเองการที่เราจะสละทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นใดทรัพย์สินนั้นหามาได้ยากเราก็จะให้ได้โดยอํานาจหนึ่งเมื่อผ่านความรักกรุณาความสงสาร เราเกลียดไม่สงสารเราก็ไม่ให้แลในอย่างนี้ดีๆสู้ขอให้ด้วยความไม่เต็มใจนี่สําหรับพระศึกษาธรรมมีไม่อย่างนั้นมีอารมณ์ใจพิสุทธิ์เสมอว่าทรัพย์สินซึ่งของนอกกาย แม้แต่กายของเราเองก็ยังควบคุมให้มันดีตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ข้ามความตายไม่ได้เราจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์สิ่งที่ที่เรียกขึ้นว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะทําได้และจากพระตนนี้เป็นการให้ตัดขาด ไฝ่เพื่อการสงเคราะห์จริงๆไม่มีความหวังในผลตอบแทนแม้จะคําสรรเสริญเยินยอจากผู้คนผู้รักก็ไม่ต้องการไม่ต้องการไฝ่คือการมีความหวังว่าคิดว่าจะตัดโลภะความโลภในจิตให้มันขาดไปเพียงว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีเท่าไหร่ให้หมดเท่านั้น การให้ต้องคิดพิจารณาดูก่อนว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าให้จนถึงกระทั่งเราเดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงตำหนิแต่สําหรับว่าท่านที่เป็นบิณฑบาตก็ดีถ้าศีลธากามิก็ดีเป็นคนประกอบด้วยศรัทธาฉะนั้นท่านผู้นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงข้ามลบคนท่านบุคคลประเภทนี้ แต่ขอเข้าท่านก็นึกว่ามีความจําเป็นถึงก็ให้แต่ขอบ่อยๆเป็นเกลือนวิสัยของสมณะคนขอเลยไม่ใช่พระใครเพิ่งขอทานไปฉะนั้นถ้าเราจะพึงรู้ว่าบางคนใดเขาไม่ศรัทธาก็อย่าอ้าปากขอถ้าจิตนั้นไม่จําเป็นที่สุดเช่นผ้ามันไม่ขาดถึงท่านจะโน้มไม่ได้นี่จะไปขอเขา มันยังใช้ได้ตัวยังจะขอมันไม่อดถึงจะตายก็ยังจะออกว่าขอถ้าการขอมันเป็นจริยาของความเลวไม่ใช่จริยาของความดีว่าคนขอนี่ต้องตัดอารมณ์อาการหน้าด้านหรือมีความรู้สึกทางด้านนี้ออกไป ที่การขอบ่อยๆหรือขอเกินจําเป็นไม่ใช่สมนวิสัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามว่าตระกูลใดถ้าเป็นบาศิขะห้ามการขอทุกอย่างเว้นไว้แต่ส่วนนั้นมันถึงที่สุดที่เราไม่สามารถจะส่งตัวได้จําเป็นจะต้องขอก็ขอแต่เฉพาะในจุดที่จําเป็นมีค่าไม่สูงนัก ในนี้เพราะรักกุลาสังฆรังของพระโสดาสิวิภาคามีผู้มีหังสิประจําย่อมมีคนมีใจดีคอยเครือกูลนิสสมนัยสมัยของพระเจ้าก็มีพระขอในสํานักของพระโสดาสิวิภาคาจนเกินพอดีมีเยอะแยะไปด้วยเหตุนี้พระก็ขึ้นอ๋อเสด็จไปจอมตายช่วงห้ามขอที่สํานักเราก็มีข่าวสํารวมในรันนี้เป็นมาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นบาลโศลด่าบัญคันก็จงอย่าเอ่ยปากขอถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆขอมากเกินไปใช้มากเกินไปมันจะเป็นการรุ่มร่ามไม่สมวิสัยของพระจงมัชฌยัตอาการทุกอย่างอย่าคิดว่าถ้าเขาให้ก็ได้ใจขอกันหนัก นี่สนับสนุนสิกิธาคามีมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนิพพัสโซดาปัญก็เหมือนกันมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนี่วัดกําลังใจของเราว่าการปฏิบัติจิตของเราเข้าถึงวัสดาปฏิมากรสิกิธาคามิมักขลียะเป็นอันว่ามีอารมณ์คิดจะให้อยู่เป็นปกติไอ้การความโลภนั้นก็มันเถลอ การคิดว่าจะคิดโกงคิดโจ๋งก็ไม่คิดตัวแล้วนี่การไปเกียดกายแสวงหาทรัพย์ขึ้นพอดีย่อมไม่มีกับพระสิกขิทาคามีเพราะจิตเริ่มเป็นสุขมีเท่าไหร่ก็เป็นสุขแต่การหากินยังต้องหาถ้าหาแบบสบายๆอย่างอารมณ์ที่มีความสุขเป็นเบียดเบียนตนดืนขึ้นไปยิ่งเกินไป นี่เป็นอารมณ์พระสิกิธาคามีมรรคเพิ่มจากขานุสติธรรมฐานก็ไม่กด 1 บทยังทําเป็นชายสมาบัติให้อารมณ์สงบตัวคิดไว้เสมอการคิดไว้เสมอมีความรู้สึกไปสมาธิที่เรียกว่าเป็นขั้นสงฌานถ้าทั้งนั่งภาวนาตามปกติโดยเวลาเลิกแล้วจิตก็ได้คิดจิตมีความเร็วอันนี้ไม่ใช่พระสิกิธาคาและอนาถา มันเป็นจิตโทษสัตว์ในอบายภูมิจึงใคร่ส่วนคิดไว้จะเป็นนั่งภาวนาเฉยๆนั่งภาวนาเฉยๆในอารมณ์ใจมันไม่ดีมันก็ดีแค่ภาวนาต่อทีก็ภาวนากันไปเป็นปกติเวลาภาวนาก็จิตก็สั่นเป็นโน่นชานี้มันใช้ไม่ได้มันต้องมีปัญญาใคร่ส่วนมีความรู้สึกตัวตลอดเวลา ถ้ากัญญานีอยู่แล้วก็ไหนแต่ไหนก็แต่นั้นก็มีแต่ความสุขก็มีความทุกข์ก็มีความราวร้อนเงื่อนดอกข้อที่ 2 พระ 4 ทาคามีระงับความโกรธโดยปริมาตตัวนี้ก็ไม่ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่ามีภมิหารเป 4 เป็นประจําแต่ถ้าว่ากาณาคามีก็เพิ่มอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วว่าให้อภัยทาน นอกจากจะระงับความโกรธยับยั้งความโกรธได้ความโกรธมันยังมีอยู่อย่างพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ว่าไม่ทําลายเขาความโกรธแล้วยังพยายามอาจจะคิดแหมไอ้เจ้านี่มันเลวจริงๆไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทําลายแต่ว่าคิดว่ามันเลวเจ็บแค้นเจ็บใจแต่ไม่คิดฆ่าไม่คิดทําลายกับไม่อยากสังคมสมาคมด้วย <c oughs> ยังมีอาการใบหน้าเครียดแต่มาถึงพระสิทธาขามีในอาการเครียดของใบหน้าไม่มีโกรธยังมีความโกรธไม่ชอบใจคิดไว้ว่าไม่ชอบใจยังมีอยู่พระอรหงฐิติอิสระหนึ่งก็พยายามข่มความโกรธข่มความพยาบาทคิดแค่อภัยพระบุคคลผู้กระทำความผิด โดยมีความรู้สึกว่าจิตของบุคคลนี้เป็นจิตของสัตว์ในอบายภูมิซึ่งเป็นถึงเป็นทายของกิเลสตัณหาอุปาทานและโกรธสมณะกรรมเราไม่ควรจะตอบแทนในการลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขาจะเป็นสัตว์ตรกเป็นเปตวสุรกายเป็นสเทฬฉานเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจให้อภัยต่อความผิดของเขานี่แปลรวมของพระศรีธากามีมะ นี่มาได้ความหลงตอนนี้ก็มาจับสกายทิฏฐิเคร่งเครียดขึ้นเคร่งเครียดขึ้นตอนไหนเคร่งเครียดขึ้นเพราะว่าปากุจชนานลอกที่เห็นว่าร่างกายของเรามันจะตายแล้วก็มามองที่ร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันว่าเพิ่มกายวิคคทานุสติก็สุขภาวธรรมหนักขึ้น ธรรมาขึ้นนวร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายตายแน่แม้แม้สวดอาภิคิดว่าแค่ตายแต่ยังมีความพอใจในลักษณะของร่างกายในผิวพรรณของร่างกายการสดสวยงามของการตกแต่งร่างกายธรรมในด้านทัสสกิธาตุธรรมีนี้เกิดหมด ธรรมอารมณ์ที่มีความรู้สึกของร่างกายมันเป็นเพียงธาตุ 4 เข้ามาประชุมกันแล้วมีความสกปรกทุกอื่นทุกนั่นสเลตน้ําหลายสกปรกเอือใครสกปรกเลือดเนื้อสกปรกน้ําเหลืองน้ําหนองสกปรกปัสสาวะสกปรกเพียงความมาทุกส่วนของร่างกายนี่มันสกปรกจริงๆ เพราะสุกกับรกก็รู้สึกว่ามันเป็นของน่าเบื่อไม่น่ารักแต่ก็ยังยังไม่หมดแต่อารมณ์เมื่อในการพิจารณาร่างกายของคนสัตว์ทั้งตัวเองแม้เกิดอาการสลบก็ร่างกายนี้มีสภาพไปต่างอะไรก็ซ่วงเคลื่อนที่เพราะจะหมองมองดูไปทุกจุดทุกประการมันก็เต็มไปด้วยความสุขทุกข์โศกโรค ผิวหนังที่เรามองเห็นก็ว่าสวยแต่ทั้งๆที่ผิวที่เราเห็นว่าสวยนั่นแหละก็ต้องชำระล้างทุกๆวันถ้าปล่อยคือกลางไม่อาบน้ําไม่อาบผ้าไม่เช็ดตัวไม่ชำระล้างสัก 7 วันมันก็ทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าแม้แต่ผิวกายที่เราเห็นว่าสวยมันก็สกปรกแล้วส่วนที่อยู่ในผิวกายลงไปข้างในทั้งลอกหลังลมพิษเหงื่อเลือดเทไหลสิ่งออกมา เย็นเลือดมีกลิ่นเลือดเหม็นขาวเราก็ผ่าซี่ซี่อินว่าเลือดสกปรกเนื้อลอกเนื้อเข้าไปภายในเห็นตับไตไส้ปอดทหารใหม่อาหารใหม่ก็อุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดตอนนี้ดูไม่ได้แล้วสกปรกจริงๆ เมื่อจากร่างกายที่มีมัสสารที่เชิญมาสวยสดงามหรือขอมากแล้วมันก็เริ่มๆคลายตัวลงไปยังไม่หมดกําหนดจิตเป็นเอกกับตาลมเป็นชายไม่มีไม่มีความรู้สึกเมามันในร่างกายแต่บางขณะย่อมปรากฏบ้างเนื่องจากของสกายทิฐิตัวนี้ แล้วก็ไปพิจารณาด้วยกายคตานุปถิและสุขภาวฐานเพื่อปัดความหลงในร่างกายเห็นว่าร่างกายสุขทุกข์แล้วและว่าร่างกายเป็นสภาพที่ต้องสลายตัวยึดถือดึงดันดึงมันไว้ไม่อยู่นี่เป็นอนุว่าอารมณ์จิตตัวนี้ถ้าเราจะเข้าไปพิจารณาว่าจุดไหนหนอที่เราจะเป็นพระสิทธาคามี หรือเป็นสิทธิถาคามิผลมันมีอารมณ์พอที่จะพิจารณาได้นั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกในด้านเหตุโรงทางคานคือเรื่องของเพศมันเริ่มสลายตัวลงไปความรู้สึกสนใจในในเรื่องของระหว่างเพศมันมีเหมือนกัน แต่ว่าน้อยเต็มทียามปกติมันจะมีมีความรู้สึกกังวลในเรื่องของระหว่างเพศแต่บางครั้งเห็นคนเดินผ่านผ่านมาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแต่ถึงว่าด้วยฉับพลันนั่นเองในขณะสุขขณะเดียวจิตก็จะสลายจากความพอใจ เพราะไอ้อารมณ์ถึงร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเห็นผ้า <table> ตะลุไปถึงหนัง <table> ตะลุจากหนังเข้าทางเนื้อตะลุกระเน้องจึงตัดไส้ปอดไส้ปอดมองเห็นตะลุรูป หลồng วัตถุส่วนของร่างกายคุณสัตว์ทั้งเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกและมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติ ไอ้ระไคค้นคนทรงเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์กันต้องบริหารร่างกายในร่างกายสุขสมด้วยปกตินั่นเองสุขสุขก็สลายไปตัวนี้เป็นทําให้กําลังใจคลายความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นเสียแม้แต่ร่างกายตัวเองก็มีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายไม่พึงปรารถนาเถิดว่าอารมณ์ความพอใจในร่างกายยังไม่หมดจรหรือบ้าง เมื่อมาได้ความโกรธก็ยังมีอยู่ต่ํามีป่องๆกระทบปังโกรธปังเมื่อรู้แล้วก็พยายามควบความโกรธด้วยการแค่อภัยใช้เวลานานไม่เกิน 5 นาทีอารมณ์นั้นก็คลายหายไปแล้วก็ไม่ติดใจในความผิดของคนอื่นมาด้านถึงความโลภที่มีอารมณ์จิตสบายพอใจตามฐานะที่ทรงอยู่ ยังไงยังไงก็คิดว่าถ้ายังตัวรอดเป็นพอที่ถ้าอารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริจาคทั้งหลายมีอารมณ์เบาในด้านโลภะความโลภมีความพอการกดขึ้นในจิตคิดว่ามีมากก็พอมีน้อยก็พอถ้าไม่ได้แนะนําให้ธรรมะให้กินกันนะ มันได้เท่าไหร่รู้สึกพอปีนี้ได้มากพอปีหน้าได้น้อยพอคือดึกคิดไม่ดิ้นรนโดยคือการโยมรับทั้งถือว่าไอ้เหตุผลที่เพิ่งได้มามันก็เป็นไปตามกฎทางภาวะสามารถตามกาลสมัยที่มันจะส่งขึ้นมาได้หรือจะหามาได้ความโกรธสงบขึ้นได้โดยฉับไวไม่มีการผูกพันในการพยายาม ไอ้กายของทางกายที่มีความพอใจระหว่างเพศหรือวัตถุต่างๆความสวยสดงามของวัตถุก็ดีความสวยสดชวดงามของร่างกายของมนุษย์ก็ดีสรรหลายไปจากใจกระหมุดสินนิสสามีอารมณ์อย่างนี้เอาสมเด็จพระมหามุนินทร์ทรงตัดว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสิทธาธามีอดาศนะวณีการนี้แนะนํากันทั้งหมดทั้งแล้ว ต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้ธรรมภาวนาและพิจารณาตามอัตติยาอาศัยซึ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกฎเวลา